ดูสภาวะภายในในเท่ากับว่ายานคำว่า Insight เนี่ยนะอ s d o m คือปัญญายานเนี่ยเวลายก น, นั้นเบื้องต้นเนี่ยปัญญายานเราต้องใช้กับกายให้เป็นเสีอก่อนแต่เป้าหมายคือต้องใช้กับจิตนี่นแหละแต่จิตมันละเอียดเกินกว่าที่เราไป Insight มันทันทีเราจะเอ Insight เฉพาะความรู้สึกที่อยากที่เราเห็นหนักเบา ช, าชาัดชัดนี่เสก่อน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 นะวิปัสนาแปลว่าเห็นชัดชัดแจ้งแจ้งในแต่ละจุดเรียกว่าวิปัสนานะวิแปลว่าแจ้งแปีว่าชัดแปลว่าต่างแปลว่าสว่างปศัศนาแปลว่าเห็นเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นสว่างในแต่ละจุดของร่างกายในแต่ละจุดของจิตใจในแต่ละจุดของเวทนาะในแต่ละจุดของอารมณ์ที่สหรับจิตกับอารมณ์ในรยละเอียดเกิน แต่ถ้าเรามุ่งดูรายละเอียดทางกายกับเวทนาชัดๆเนี่ยมันจะเข้าไปอินไซต์รู้จิตรู้อารมณ์ของมันเองที่หลวงพ่อเทียน ใ, นใช่ว่าดูกายเห็นจิตถ้าดูกายดูเวทนาชัดๆเนี่ยแล้วก็ทําด้วยจิตอันหนึ่งจิตที่เป็นขันห้าที่เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณโดยโดยที่ยังไม่มีวิชาเข้าไปมันก็คือตัวที่เรามารับรู้ต่อสิ่งนี้แต่เมื่อมีเรา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 แต่เขาก็มีสิ่งประกบอบเยอะแยะมีเพื่อนมีคู่มีเหล้ามีเบียร์มีดนตรีมีอะไรหลายหลาอย่างกิจกรรมมันไม่ได้ผ่อนคลายทางกายเลยทางกายยังเกร็งเครียดอยู่นฉั้นการมาวิปัสนาเราจะทําไงเกิดการผ่อนคลายทาา่าที่ทําให้เกิดการผ่อนคลา ย, ายมีท่าอะไรบ้างท่าที่ทําให้เกิดการผ่อนคลายในกายมีท่าอะไรบ้าง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 เพราะแฟนทิ้งทุกใจเพาอเป็นหนี้ทุกใจพาอมีคดีทุกใจเพราะทะเลาะ ก, กับพ่อกับแม่มันเป็นก้อนจุกอยู่ในใจเลยใช่ไหมแสดงมันเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นอัตตาอัตตาตรงนี้มันจะเป็นกลางอยู่นะถ้าเราจัด ก, การมันได้อัตตานรงนี้กลายเป็นปัญญาถ้าเราจัด ก, การมันได้อัตตาตรนี้กลายเป็นอนัตตา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 ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมแล้วคนรอบข้างเขาก็ต้องการสิ่งที่ดีๆเพราะนั่นอะไรที่สิ่งที่ดีๆควรสั่งสมสิ่งนั้นไว้การมีสุขภาพดีถ้าสุขภาพเราดีแล้วก็กจะแจกให้คนอื่นถ้าสังคมการให้ทานของเราเป็นลักษณะนี้สังคมเราจะเข้มแข็งชุมชนเราจะเข้มแข็งประเทศเราจะเข้มแข็งนะเพราะโดยการให้ธรรมทานแต่เราให้วัตถุทานกันมากเกินไป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 แล้วเขถามในะที่สุดเขถามคุณรู้ไหมว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไระก็ต่อบไปนนอะนิสสีปฏิสุมบาสพุทธโฉมเจตเขาว่าไปเขาบอกทั้งหมดไม่ใช่หรอกอา้าวทำไมคุณว่าอย่างนั้นนะี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงนะวันหนึ่งก่อนจะจากกันเขาเขียนติดหลังกระดาษแล้วก็ยื่นให้แล้วเขาก็ไปแก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไรดูไหม เ อ, อเ็นจะเป็นการบ้านหรือเปล่าด้วยเฉลเยเลยไม่รู้นะเห็นท่านจะเป็นการบ้านนะเนะ skill in means the c a l l of Buddhism skill in means ท่าน ด, ดรว่าไงดี skill in means คำว่า skill นะ skill อ่า skill in means มินเตอร์เอสเลยนะนั่นเลยคือแก่นแท้ของพุทธศาสนา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 ผ่องใสสะอาดมาแต่เดิมประพัฒสระิีทางจิตตังอคนตุเกเสหิอุปกรณ์ังจิตนี้สะอาดแจ่มใสผ่องใสมาแต่เดิมเมื่อถูกอคันตุกัคิเลจรเข้ามาจิตนี้จึงคิดและเศร้าหมองเห็นไหมจิตนี้เดิมแท้เนาะออริจินอลใหมเนี่ยมันสะอาดบริสุทธิ์สดใสมาแต่เดิมเหมือนจิตจิตเขาบอเด็กเกิดใหมก่ก็จิตของพระอรหันตนะ์คล้ายกันใช่ไหม